ยาทาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาขารังเอวเมวะอิโตดินาังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิจาตุสัภะปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสุยะทามณิโชติ ระโสยทาซาปิติโยวิวานตุสาปารมณ ง, งวินาสตุ ม, มาเภภตภาวัวันตรายโยสุกี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 ปาลังอากะศโตเอปัสั น, นานังอากางธรรมังวิชานะตังอากเกมุดเถปัสั น, นานังดากีเนยเอนุตรเร อ, อากเกธรรมเมปัสั น, นานังวิรังคุปสเมสุมสขเข อากเกสรเกปันนานางปุญญาเกติอนุตรเรอากาศสมิงนานางดาดาตัองอากางปุญญาปวัตๆๆติยโสเกติสุขังวลังอากาสดาตาเมธาวีอากาธรรมมาสมาหิตโต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 าาาาาตามบาธรรมานุภาเวนสดาโสเทพระวันตุเตภาวานตสซาพมังกาลังราคันตุสาพเดวตาตามบาสังคานุภาเวนสดาโสถทพระวันตุเต